ชิมพลีจะมหาเทโรโสรโหปัจจายาทิมหิชัยยะลาโภมหาลาโพสัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรโสรโหปัจจายาทิมหิชัยยะลาโพมหาลาโพ สัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรโสระโหปัจจายาทิมพิชัยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโร โสระโหปัจจะยาทิมหิชัยยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสพัพพธาฉิมพลีจะมหาเถโรโสระโหปัจจะยาทิมหิชัยยะลาโภมหาลาโภสัพพะลาภาพระวันตุสพัพพธา ฉิมพลัลีจะมหาเถโรโสระโหปัจจายาทิมหิชัยยะลาโภมหาลาโภสัพพลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพลีจะมหาเถโรโสระโหปัจจายาทิมหิชัยยะลาโภมหาราโภ สัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรโสระโหปัจจายาทิมพิชัยยะลาโพมหาลาโพสัพพลาภาพระวันตุสัพพธา